ขอบคุณพระเจ้าในบ่ายวันนี้ครั้งหนึ่งที่มีโอกาสมาเยี่ยมท่านพี่น้องที่วัฒนานะครับเราไม่ค่อยจะมีวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันคริสต์มาสนา น, นานทีบางที6หรือ7ปีกว่าจะเวียนกันมาในลักษณะนี้ขอบคุณพระเจ้านี่เป็นวันอ า, าทิตย์คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่เราเลิกถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ของประทานน้ำล้าค่าของพระองค์บ่ายวันนี้มีเพลงเพลงหนึ่งที่จะมอบให้กับเรานะครับ ผมไม่ได้เป็นคนเล่นเองนะครับถ้าผมเล่นเองคงจะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่นะครับเราจะฟังไม่จบเพลงนะเป็นคนอื่นเล่นนะครับเป็นเพลงอวยพ ร, พ, รพวกเราในช่วงก็จะสมพรนี้ขอคอขอเสียงด้วยครับ คำแนะนําอย่างเดียวก็คืออย่าลองกับเครื่องที่อยู่ข้างๆนี้แะครับยกเว้นว่าท่านที่น้องต้องการจะเปลี่ยนเครื่องเครื่องใหม่ในโอกาสของวันอาทิตย์คริสต์มาสอย่างเช่นที่เรามีในตอนบ่ายนี้ผมอยากพาพวกเราดูซิ่งเป็นหัวใจของวันคริสต์มาสข้อพระธรรมที่จะใช้สำหรับการเทศนาใ น, ในบ่ายวันนี้เนี่ยจริงๆอยู่ในสองโครินบทที่8ข้อที่9แต่เพื่อจใจเราได้บอสิบทในพระธรรมตอนนี้เราก็เลยอ่านยาวหน่อยหนึ่งนะครับอ่านแคข้อ1จนถึงข้อที่15 หนังสือสองโครินธ์บทที่8และบทที่9เป็นสองบทที่อาจารย์เปโลเขียนไปให้กับคริสเตียนที่เมืองโครินธ์และก็เรื่องเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเงินที่พวกเขาได้ตั้งใจที่จะรวบรวมไว้เพื่อจะส่งไปช่วยบรรดาธรรมิกชนที่ประสบกับภาวะที่ยากลําบากพวกเขาได้เริ่มต้นเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เปโลเขียนหนังสือหนึ่งโครินธ์เขาได้เริ่มต้นแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ทำจนเสร็จจนเสร็จสิ้นดังนั้นในสองโครินธ์บทที่8 ปาโลต้องการจะหนุนใจพี่น้องเหล่านี้ในการทําภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นแล้วปาโลยกตัวอย่างสองตัวอย่างด้วยกันเพื่อจะเล้าจิตใจของพวกเขาตัวอย่างที่หนึ่งที่ปาโลต้องการจะยกเพื่อจะเล่าใจของพวกเขาอยู่ในบทที่8ข้อ1จนถึงข้อที่7ก็คือบรรดาคริสเตียนที่อยู่ในแคว้นมาซิโดเนียปาโลบอกกับเราในพระธรรมตอนนี้ว่าคริสเตียนที่อยู่ในแคว้นมาซิโดเนียประสบกับความยากลําบากต่างๆมากมายพวกเขายากจนจนถึงที่สุด แต่เมื่อคริสเตียนในแคว้นนั้นรู้ว่ามีคริสเตียนมีพี่น้องในประคเตศอยู่ในพื้นที่อื่นและคนเหล่านั้นกําลังประสบกับภาวะที่ยากลําบากเป็นอย่างยิ่งแม้พวกเขาจะอยู่ในภาวะที่ยากจนเป็นอย่างมากพวกเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ภายในพื้นที่อื่นปาโลบอกเราในข้อที่สว่าพวกเขาถวายเกินความสามารถของพวกเขาแล้วเขาทําสิ่งนี้โดยไม่มีใครบังคับออกมาจากใจ ท, ที่สมัครของพวกเขาเอง แล้วก็ถวายด้วยจิตใจที่กว้างขวางเป็นอย่างมากเนื้อความในบทที่8ข้อที่4สื่อให้เราเห็นภาพแบบนี้นะครับว่าคริสเตนแครนมาซิโดเนียรวบรวมเงินแล้วก็นํามาเหมือนกับจะมอบให้กับอาจารย์เปาโลแต่เปาโลทําท่าจะไม่ยอมรับเงินเนี่ยจากพวกจากพวกจากพวกเขาจนกระทั่งคริสเตนแคร์นั้นต้องวิงวอนต้องขอร้องเปาโลเป็นอย่างมากให้ช่วยเอาเงินของพวกเขาไปหน่อยเพราะพวกเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องคริสเตียน ที่อยู่ในพื้นที่อื่นที่กําลังประสบภาวะที่ยากลาบากเป็นอย่างยิ่งเคสในแคว้น ม, มาซิโดเนียกระทาสิ่งนี้ได้อย่างไรคําตอบอยู่ในบทที่8ข้อที่หนึ่งะครับบทที่8ข้อที่หนึ่งบอกเราว่าพระเจ้าทรงปรดประทานพระคุณให้กับพวกพวกเขาแล้วก็โดยพระคุณโดยความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพวกเขาถวายให้กับโรงเกินกว่าความสามารถของพวกเขาเคสในแคว้น ม, มาซิโดเนียก็เลยกลายเป็นต้นแบบตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเมื่อคนซาบซึ้งกับพระคุณของเปรีเจ้าพระคุณของเปรีเจ้าสามารถทำให้พวกเขาทำสิ่งที่ตามปกติคนไม่สามารถกระทำได้ในกรณีนี้เป็นการทาถวายด้วยจิตใจที่กว้างขวางเป็นอย่างยิ่งตัวอย่างที่สองที่เปโลยกในพระธรรมตอนตอนนี้เป็นตัวอย่างของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในบทที่แปดข้อที่เก้าโลุบอกว่า เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์ในข้อที่เก้านี้จะพูดถึงพระคุณอีกแบบหนึ่งนี่เป็นพระคุณของพระเยซูคำว่าพระคุณตรงนี้วงบอกถึงพระลักษณะอย่างหนึ่งของพระองค์เป็นพระลักษณะที่เป็น แก่นของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นพระรักษาที่ทำให้พระคริสต์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนคนบาปเพื่อจะทำให้คนนันที่ไม่สามารถเรียกร้องจากพระองค์ได้สามารถรอดพ้นจากโทษทานของความบาปเป็นพระรักษาที่ทำให้พระองค์สำแดงความรักของพระองค์ออกมาด้วยการกระทำเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเสียสละพระองค์เองดังนั้นพระคริสต์จึงกลับกลายเป็นสุดยอดของตัวอย่างของความเสียสละ แล้วก็เปาโลยกตัวอย่างของพงในพระธรรมตอนนี้เพื่อจะเล่าจิตใจเนี่ยของพวกเขาบ่ายวันนี้ผมอยากพาพวกเรามาพิจารณาดู2โครินธ์บทที่8ข้อที่9นี้ด้วยกันนะครับในพระธรรมตอนนี้เปาโลพูดถึงความจริง3อย่างด้วยกันเกี่ยวกับพระคริสต์แล้วก็สําหรับผมแล้วความจริงทั้ง3อย่างที่เปาโลพูดในบทที่8ข้อที่9สรุปสาระสําคัญของวันคริสต์มาสของข่าวประเสริฐของสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทํำเพื่อเราทั้งหลายทุกคน ซึ่งเป็นประชากรของเปรียจ้าเป็นสิ่งที่ออกมาจากพระษะแห่งพระคุณของพระองค์บ่ายวันนี้จึงอยากจะแบ่งปันกับเราในหัวข้อพระเยซูผู้กอบไปด้วยพร ะ, พระคุณให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาในบ่านี้เราขอบคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับโอกาสในการอยู่ในพระนิเวศ ข, ของพระองค์เจ้า น, นมัสการพร์อย่างเปิดเผยเป็นอภิสิทธิ์เป็นสิทธิที่พี่น้องของเราในหลายๆชาติ ไม่มีเหมือนกับที่เรามีขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่วันนี้เป็นวันคระจะสมภพวันที่เอาหวนราลึกถึงของขวัญอันประเสริฐที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราก็คือพระเยซูพระบุตรของพระองค์เจ้าบ่ายวันนี้ข้าพระบาทอธิษฐานขอพระองค์ทรงบอกับอํานวยพรมาเหนื้อความคิดจิตใจของเราให้ความคิดของเราสงบนิ่งให้ใจของเราเปิดอยู่ต่อพระพักของพระองค์เจ้าเพื่อสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระคําของพระองค์จะก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติในเรา ขอเวีพร้กับผู้ฟังเวีพร้อกับผู้กล่าวเพื่องราขายจะกลับไกลเป็นผู้ดําเนินตามพระคําของพระองค์เจ้าข้าพระบาทจึงอธิฐานทูลขอสิ่งทั้งพวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูเจ้าอามนความจริงประการที่หนึ่งที่เปาโลบอกเราในพระธรรมตอนนี้ก็คือเปาโลบอกให้เราทราบว่าก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดเป็นทารกน้อยที่เบลเลแฮมแล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกสาสิกว่าปีนั้นพระองค์ทรงเป็นอย่างอย่างไร ปาโลบอกว่าเพราะทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก่อนการมาประสูติเป็นทารกน้อยที่หมู่บ้านเบเลเฮมนั้นพระเยซูทรงมั่งคั่งถ้าถามว่าพระพระเยซูทรงมั่งคั่งเพียงใดตอบจากภาพรวมในพันธสัญญาใหม่ก็ยังตอบว่าพระเยซูทรงมั่งคั่งเท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดาทุกประการ ผมพยายามค้นหาคำศัพท์ไทยนะครับที่สื่อความหมายถึงความมั่งคั่งอย่างมากของพระองค์แล้วก็ค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหาคำที่จุใจได้ในท้ายที่สุดผมสร้างคำศัพท์ของผมขึ้นขึ้นเองเพื่อบรรยายความมั่งคั่งของพระคริสต์ท่านพี่น้องอยากไปหาค้นหาคำศัพท์คำนี้ในพระจนานุกรมเล่มไหนนะครับจะไม่เจอในเล่มใดเล่มเล่มหนึ่งนี่มาจากเล่มของผมเองพระเยซูทรงมั่งคั่งเพียงใดพระเยซูทรงมั่งคั่งขนาด อภิอัคระมหารวยอภิอัอคระมหารวยพระองค์ทรงมีความมั่งคั่งเป็นอย่างมากก่อนหน้าที่โปรจะมาบังเกิดในโลกนี้พระบิดาทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวงอย่างไรพระเยซูก็ทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวงอย่างนั้นไม่ว่าพืชพันธุ ญ, ญาหารทรัพยากรต่างๆเพชรนินจินดาทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ เป็นของพระบิดาชันดายทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นของพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันบรรดาทูตของพระเจ้าอยู่ภายใต้อานัตจของพระบิดาอย่างไรทูดเหล่านั้นก็อยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของพระเยซูพิทด้วยเช่นเดียวกันพระบิดาทรงกรอบไปด้วยพระเิริพระเกียรติฤทธานุนุภาพและเหล่าทูตของพระเจ้าแท้สองสรรเสริญพองคทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไรเหล่าทูดเหล่านั้นก็อยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของพระเยซูด้วย เช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นก่อนการม า, มาบังเกิดเป็นทารกน้อยที่หมู่บ้านเ บ, บลเลหม์มและดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้อีกสามสิกว่าปีพระเยซูทรงดำรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าโดยการ น, นุภาพบุคคลทั้งสามที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่ อ, อ ก, กันเป็นอย่างมากเป็นความสนิทแนบแน่นแบบที่เราซึ่งเป็นคนบาสนั้นไม่มีวันจะสามารถเข้าอาใจความโกลเกลียวอย่างนั้นได้ไม่เพียงเท่านั้น ก่อนที่พวงจะมาบังเกิดเป็นทารกน้อยที่หมู่บ้านเบลเฮมพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งพร้อมกันในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้กรอบด้วยฤทธานุภาพทั้งสิน้นอะไรก็ตามที่ฤทธิ์เดชอํานาจสามารถกระทําให้เกิดขึ้นได้พระเยซูทรงมีฤทธิ์เดชอํานาจที่สามารถกระทําสิ่งเหล่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้กรอบด้วยสัรพัญญูญานความรู้ทั้งสิ้นอยู่แจ้งต่อหน้าพระพักของพระองค์ ก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นทารกน้อยที่หมู่บ้านเบเดเลห์มระยะทางไม่มีความหมายสำหรับพระองค์พระองค์ไม่ทรงมีความเหน็ดเหนื่อยอันเกิดมาจากการตากดาเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่แผดเผาร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งไม่ส่งผลต่อพระองค์ก่อนมาบังเกิดเป็นทารกที่เบเดเลห์มพระเยซูไม่ทรงมีประสบการณ์ของเหงื่อไหลคล้าย ย, ย้อยอันเกิดมาจากแสงแดดที่แผดเผานั้น การศึกษาหาความรู้ไม่มีประโยชน์สำหรับพระองค์บรรดาความรู้และความจริงและข้อเท็จจริงทั้งปวงที่มีอยู่ปรากฏชัดแจ้งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก่อนหน้าที่พระเยซูจะมาบังเกิดเป็นทารรที่หมู่บ้านเบลเลห์มพระองค์ทรงเป็นอย่างไรปาโลบอกเราในข้อนี้ว่าพระองค์ทรงมั่งคั่งความจริงประการที่สองที่ปารอบอกเราในพระธรรมตอนนี้ก็คือปาโลบอกให้เราทราบว่า เมื่อพระองค์มาบังเกิดที่หมู่บ้านเบเลเฮมแล้วฐานะของพระองค์เป็นอย่างไรเปาโลบอกว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนคำว่ายากยากจนในข้อที่เกนี้หมายถึงราคาที่พระพิทต้องจ่ายสิ่งที่พงษ์ต้องเสียสละเพื่อพระงค์จะสามารถทําให้แผนการแห่งความรอดสําเร็จเป็นจริงได้ถามว่าพระเยซูต้องจ่ายราคามากน้อยเพียงใด โรงต้องเสียสละสิ่งใดบ้างจึงจะทำให้แผนการแห่งความรอดสำเร็จเป็นจริงได้ภาพรวมในพันธสัญญาใหม่ทำให้เราสามารถพิจารณาเรื่องนี้ในหลายด้านด้วยกันยกตัวอย่างเช่นตามเนื้อหาหนังสือพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มนั้นดูเหมือนว่าตลอดพระชนชีพของพระคริสต์เมื่อพรงอยู่บนโลกพระองค์ไม่ทรงมีสมบัติส่วนตัวมากนักสิ่งต่างๆที่พรงทรงมีและทรงใช้นั้น ถ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นให้กับพระองค์ก็จะเป็นสิ่งที่โปร์ยืมมาจากคนเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นในค่ำคืนที่โปรงทรงประสูติพระเยซู ต, ต้องยืมคานของนางมารีมาเป็นทางผ่านเพื่อโปร์จะมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์ที่สมสมบูรณ์เหมือนกับเราทุกคนที่นั่งและยืนอยู่ในห้องประชุมนี้ในคืนที่โปรงทรงประสูตินั้นพระเยซู ต, ต้องยืมหลงหญ้าของสัตว์ทีย่ในพื้นที่ตรงนั้น มาเป็นที่บรรทมของพระองค์พระเยซูไม่มีฟูกแล้วก็ไม่มีผ้าขาวสะอาดผื้นใหญ่เหมือนกับที่เรามีในปัจจุบันพระมารดาของปงเอาผ้าอ้อมผืนหนึ่งพันรอบพระกายของพระองค์แล้วก็วางไว้ที่รงัรงญ้านั้นเมื่อมาถึงช่วงคัตธสมภพเรามักจะตกแต่งฉากหลายฉากด้วยกันที่ครื่องจักรแล้วหนึ่งในฉากที่เรามักจะตกแต่งก็คือฉากของรังญ้าที่พระคิดทรงประศุด แล้วก็มักจะมีคนเลี้ยงแกะที่มาเฝ้าพระองค์ในฉากฉากนั้นด้วยฉากที่เราทำที่ขึ้นศึกนั้นเป็นฉากที่สวยเกินกว่าความเป็นจริงนะครับผมเคยแนะนาผู้นำในขึ้นจักหลายแห่งด้วยกันนะครับว่าเพื่อจะให้ได้บรรยากาศของคึ้นสมภพครั้งแรกเราไม่ควรจะมีแต่เพียงภาพแล้วก็มีเสียงดนตรีเสียงเพลงที่เกี่ยวข้องกับหลงย่านนั้นเราน่าจะมีกลิ่นด้วยนะครับมีกลิ่นด้วย เพราะเมื่อพระเครสส่งประสูตรโรงบันธมอยู่ในรางหญ้ารางหญ้าคือที่ที่สัตว์ใช้ในการกินหญ้าของมันแล้วสัตว์ก็จะถ่ายไปกินกินไปดังนั้นที่ที่โปรงทรงประสูตรในค่ําคืนนั้นเป็นที่ที่ไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรนะครับมีสัตว์มีมีอุจจาระของสัตว์อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็ส่งกลิ่นกลิ่นเหม็นผมแนะนําผู้นําในขึ้นจักว่าเพื่อจะได้บรรยากาศดั้งเดิมหน้าจเจ้าขี้วัวกับขี้ลาเนี่ยไปแปะไว้ที่ใกล้ๆนะครับ เพื่อจะได้ภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่าที่ทราบจวบจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครเอาคำแนะนำของผมไปทำนะครับไม่แน่ใจวัฒนาสนใจจะทำเป็นแห่งแรกไหมพระเยซูทรงยืมเอารังยากของสัตว์มาเป็นที่บรรทมของพระองค์เมื่อโปรงทรงออกประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าลูกาบทที่แข้อหนึ่งถึงข้อที่สมบอกเราว่ามีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนการบิบัติของโปรงด้วยปัดปัจจัยต่าง ช่วยค่าครองชีพของปงกับบรรดาสาวกที่ออกไปประกาศข่าวประเสรศิฐเมื่อเซูทรงเทศนาและมีฝูงชนมหาปงเป็นจ ำ, จำนวนมากถ้าเป็นบริเวณใกล้กับชายฝั่งทะเลสาบกาลลีพระเยซูมักจะยืมเรือของคนอื่นมาเป็นธรรมชาตของพระองค์พระองค์ไม่มีห้องปิดแบบที่เรามีอยู่นี้ไม่มีไมแบบที่เร า, เาใช้อำวยความสะดวกไม่มีห้องปรับอากาศแบบที่เรามีที่ให้ความเย็น รพระเยซูทรงประทับอยู่บนเรือที่ยืมจากคนเหล่านั้นแล้วก็ภายใต้แสงแดดที่แผดเผาเทศนาแผ่นดินของเปรียจ้าเมื่อถึงเวลาที่โป่งต้องเสียภาษีบำรุงพระวิหารพระเยซูไม่ทรงมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบที่เรามีที่สามารถนําไปรูดได้ความจริงนะพระเยซูไม่มีเงินติดพระกายของโป่งด้วยซ้ำซ้ำไปพระเยซูบอกกับเปโตรว่าให้ไปตกตกปลา แล้วปลาตัวแรกที่ตกได้เปิดปากของมันออกจะมีเงินหนึ่งเชคเข็นข้างข้างในหนึ่งเชคเขนนั้นพอที่จะเป็นค่าภาษีพระวิหารสำหรับพระเยซูครึ่งหนึ่งแล้วก็ของเปโตครึ่งหนึ่งเมื่อชําระค่าภาษีบํารุงพระวิหารพระเยซูต้องยืมเงินจากปากปลามาเป็นค่าบํารุงพระวิวิหารนั้นเมื่อทรงเสด็จเข้าไปสู่กรุงเยรูซาเล็มในสัปดาห์ทางตานั้นพระเยซูต้องยืมลาของคนอื่น มาเป็นสัตว์ยามพาณะที่โปร่งจะประทับสเสด็จเข้าไปในกรงนั้นสําเร็จตามคําเผยพระวนะในพันธะสัญญาเดิมเมื่อพระองค์ทรงทานานมื้อสุดท้ายกับบรรดาอัครทูตของโปรง่งในกรุงเยรูซาเลม็มพระเยซูต้องยืมห้องชั้นบนของบ้านของคนอื่นเพื่อพร่งจะสามารถมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัวกับสาวกของพระองค์ได้เมื่อทรงแบกกังเขนไปที่กลนโธาเพื่อจะรับการตรึง คงจะเป็นเพราะบาดแผลมากมายที่รอบพรากายของพระองค์พระเยซูไม่มีกำลังที่สามารถแบกกางเขนไปถึงจุดหมายปลายทางได้พระองค์ต้องยืมแรงของซิโมนชาวไซรีนมาแบกกางเขนในช่วงระยะทางที่เหลือจนถึงจุดหมายปลายทางนั่นแม้กระทั่งหลังจากที่พระองสิน้นพระชนที่กางเขนแล้วพระองค์ยังต้องยืมอุโมงฝังศพของโยเซฟชาวอาริมาตาเทียมาเป็นที่รองรับพระศพของพระองค์ ในตอนเย็นของวันศุกร์นั้นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่โพรงตัดไว้ครั้งหนึ่งอย่างนี้ว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์หมายถึงโพร่งเองไม่มีที่ที่จะวางสีสะมีความหมายว่าพระองค์ไม่มีที่อยู่ประจาที่โปรงจะสามารถกลับไปได้ทุกๆค่ำคืนตอนเช้าหมาจิ้งจอกออกจากโพรงของมันไปหาอาหาร แล้วไม่ว่ามันจะหาได้มากหรือว่าน้อยหรือหาอาหารไม่ได้เลยมันมีบ้านที่มันจะสามารถกลับไปนอนหลับพักผ่อนพร้อมกับตัวอื่นภายในครอบครัวได้นกในอากาศบินออกไปในตอนเช้าออกจากรังไปหาอาหารแล้วไม่ว่าจะได้มากได้น้อยหรือไม่ได้ก็แล้วแต่มันสามารถบินกลับไปที่รังของของมันแล้วก็พบกับตัวอื่นภายในครอบครัวของมันมันได้พระเยซูไม่มีที่อยู่ประจําพเนจรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื you, ่อจะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่จนที่สุดในห้องประชุมนี้แล้วบ่ายนี้เราจะไม่โหวตว่าใครเป็นคนจนที่สุดในห้องประชุมนี้นะครับนะครับเราจะไม่โหวตในบ่ายนี้ว่าใครเป็นคนที่จนที่สุดในห้องประชุมนี้แต่เปรียบเทียบกับคนที่จนที่สุดในห้องประชุมนี้ พระเยซูทรงดำเนินชีวิตอย่างคนยากยักจนยิ่งกว่าพวกเราเป็นอย่างมากเมื่อพระองค์มาบังเกิดเป็นทารกที่หมู่บ้านเ บ, นบลเลหฮมพระองค์ทรงเป็นอย่างไรปอรลบอกว่าพระองค์ทรงยอมเป็นคนยากจนยิ่งไปกว่านั้นในภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระเยซูทรงเด็ดเดือยจากการเดินเดินทางในการประกาศแล้วก็การรับใช้แผ่นดินของเป็นเจา้าทรงหิวและทรงกระหายน้า แสงแดดที่แผดเผาเรียกเหงื่อและความอ่อนล้าออกจากพระพักและก็พระกายของพระองค์ระยะทางสร้างความเด็ดเหนื่อยให้กับพระองค์ทรงสามารถรับความเจ็บปวดทั้งร่างร่างกายและก็จิตใจของพระองค์ได้ครั้งหนึ่งพระครสตเทศนาตั้งแต่เช้าจนจะลดเย็นในหนังสือมาระโกบทที่สและในตอนเย็นพรง์บอกกับสาวกของพระองค์ว่าให้เราข้ามไปติดฟาก้างโน้นด้วยกัน แล้วเมื่อพรง์ลงไปในเรือ พ, <Jasmine> พรงบรรทับอยู่ที่ท้ายเรือและบรรทมหลับอยู่ที่ท้ายเรือนั้นพระคัมพีบอกเราว่าเรือประสบกับภาวะที่มีลมพายุพัดกระหนำ่ำแล้วก็มีคลื่นลมซัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเป็นอย่างมากจนทําท่าว่าจะจมเรือหล่านั้นลงในท่ามกลางพายุที่พัดกระหน่ำนั้นพระเยซูบรรทมหลับอยู่ที่ท้ายเรือคนที่จะหลับได้ในท่ามกลางภาวะแบบนั้นต้องเป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยจริงๆ พระเยซูทรงเด็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากจากการทำพันธกิจของพระองค์อย่างน้อยสามครั้งด้วยกันตลอดพระชนชีพของพระองค์พระเยซูทรงร้องไห้ด้วยเหตุเหตุผลที่หลากห ล, กลายแตกต่างกันทรงเผชิญกับการทดลองและความยากลำบากต่างๆมากมายตลอดสามปทีที่ทรงประกาศข่าวประเสริฐนั้นพระหัตถ์ของพระองค์ที่เหยียดออกแตะต้องคนกเรือนแล้วทาให้คนลกเรือนหายจากรกเรือนของเขา ไม่ใช่เป็นพระหัดที่อ่อนนุ่มแต่เป็นพรผ้าที่หยาบ ก, กล้านเพราะก่อนที่โปรงจะออกประกาศเรื่องแผ่นดินของเปรียจ้าพระเยซูทรงประกอบอาชีพเป็นช่างช่างไม้แล้วก็ช่างไม้ในยุคนั้นทํางานเกือบจะทั้งหมดด้วยแรงงานจากมือของพวกเขาเองพระบาทของโปรงที่ผู้หญิงเอาน้ํามันมา ช, ชาโรมที่นั่นหญิงคนหนึ่งร้องไห้ด้อน้ําตาเปียก พ, พระผ้าบาทก็เช็ดด้วยเส้นผมของของนางเป็นพระบาทที่หยาบ ก, กล้านด้วยเช่นเดียวกัน เพระรองค์ดำเนินชีวิตเดินทางประกาศข่าวประเสริฐจากเหนือจนจะโดดใต้จากใต้ขึ้นไปจนออกไปนอกแผ่นดินปาเลสไตน์ในยุคนั้นผิวหนังของพระองค์คงจะกล้านไปด้วยแบบพิษของแบบแดดที่ร้อนแรงที่แผดเผ า, พ, าพระองค์ในแต่ละวันที่พระองค์ทรงทำรรพันธกิจนั้นทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระคริสต์ทรงรับในตลอดช่วงระยะเวลาที่พระองค์ดาเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เปาโลบอกว่า แม้พระองค์ทรงมั่งคัง่งพระองค์ก็ทรงยอมเป็นคนยากจนยิ่งไปกว่านั้นในความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระเยซูทรงถูกติดฉินดินทาใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะพระองค์ทรงคบกับคนเหล่านั้นที่สังสังคมรังเกียจไม่ว่าจะเป็นคนเก็บภาษีหญิงแพทย์สยาหรือแม้กระทั่งชาวบ้านโดยทั่วๆไปที่ผู้นำทงางศาสนาในยุคนั้นเรียกพวกเขาว่า เป็นคนบาปเพราะชาวบ้านโดยทั่วไปไม่สามารถถือรักษากฎเกณฑ์ยุมหยิ ม, ยมจํานวนมากมายที่ผู้นําทางศาสนาเหล่านั้นได้สรรสร้างขึ้นในความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระเยซูทรงสิ้นพระชนอย่างทุกข์เวทนาเป็นอย่างมากในสายตาของชาวโรมันพระเยซูทรงตายอย่างอาดชายกรคนหนึ่งทงั้งๆที่ตลอดพระชนชีพของพระองค์พระเยซูทําอาดชายกรรมเอาไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าสามารถเรียกว่าเป็นอาชญากรรมได้นั่นก็คือโปร่งทรงรักคนบาปมากพอที่จะพูดความจริงกับคนบาปเหล่านั้นแล้วก็บังเอิญคนบาปเหล่านั้นรวมไปถึงผู้นําทางศาสนาที่มีความหยิ่งจองของเป็นอย่างมากในสายตาของชาวยิวพระเยซูทรงสิ้นพระชนอย่างผู้ที่ต้องคาแช่งสาดเพราะธรรมบัญญัติของโมเสกเขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นก็ต้องคาแช่งสาด ทั้งๆที่ตลอดพระชนชี r c h ของพระองค์พระเยซูทรงอวยพรคนต่างๆมากมายในระดับชั้นต่างๆที่หลากหลายกันที่หนักหนายิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อพระคริสต์รับเอาโทษแทนของความบาปไปบนพระกายของปงที่กังเขนในประสบการณ์ของปงที่กังเขนนั้นพระเจ้าพระบิดาได้ทอดทิ้งจากพระองค์ไปบาดแผลที่อยู่รอบพระกายของปงสร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นกับพระองค์ แต่ผมคิดคิดว่าสิ่งที่สร้างความรวดร้าวให้กับโปรงยิ่งกว่าบาดแผล ร, รอบผักายของโปรงก็คือความรู้สึกในขณะที่โปรง์แบกเอาโทษแทนของความบาป ท, ที่กังเขนว่าพระเจ้าพระบิดาได้ละทิ้งจากพระองค์ไปพระเยซูทรงเรียกที่ที่กังเขนว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าชัดชไนพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ไปเราซึ่งเป็นคนบาปคงจะไม่มีวันเข้าใจความทุกข์แบบนั้นนะครับ ที่เกิดขึ้นกับพระบุตรของเระเจ้าเมื่อพงแบกเอาความบาปของมนุษย์ไว้ที่กางเขนนั้นเปาโลบอกว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งพระองค์ก็ทรงยอมเป็นคนยากจนพระเยซูมาจากที่ที่สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่มาบังเกิดในที่ที่เกือบจะต่าที่สุดเท่าที่มีอยู่ที่ลางญ้าแล้ว30มสิปีหลังจากนั้นสิ้นพระชนด้วยวิธีการที่สร้างความเจ็บปวดรุนแรว มากที่สุดเท่าที่มนุษย์สามารถสรรสร้างขึ้นได้ในศตวรรษที่หนึ่งด้วยการถูกตึงที่กางเขนพระองค์แม้ว่ามั่งข้างก็ทรงยอมเป็นคนยากจนเราเคยได้ยินว่าประชาชนยอมตายเพื่อปกป้องพระราชาของพวกเขานี่พระคริสต์พระพระราชาผู้ยิ่งใหญ่กับยอมเสียสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อปกป้องประชากรของพระองค์ ให้รอดพ้นจากการพิพากษาของเป็นเจ้าเราเคยได้ยินว่าแกะถูกฆ่าตายเพื่อจะไถ่บาปของคนที่เป็นผู้เลี้ยงแต่นี่พระคิดพระผู้เลี้ยงผู้ประเสริฐกลับยอมตายเพื่อจะไถ่พวกเราทั้งหลายที่เป็นฝูงแกะของพระองค์แม้โปร่งส่งมั่งข้างพระองค์ก็เสด็จทรงยอมเป็นคนยากจนสิ่งที่สามที่เปโลบอกเราในบทที่8ข้อที่9ก็คือเหตุผล เหตุผลที่พระเยซูทรงยอมกับกลายเป็นคนยากยากจนเปาโลบอกว่าเพราะเห็นแก่ท่านทั้งทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้กับกลายเป็นคนมั่งคัง่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์ทั้งหมดเหล่านี้ที่พระคริสต์ทรงยอมเสียสละเพื่อเห็นแก่เราทุกคนที่นั่งและยืนอยู่ในห้องประชุมนี้เพื่อเราทั้งหลายจะสามารถกับกลายเป็นคนมั่งคัง่งอันสืบเนื่องมาจากความยากจนของพระองค์ อาจจะไม่แย่ใช่เป็นความมั่งคั่งในเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งของวัตถุต่างๆแต่แน่นอนว่านี่รวมไปถึงความมั่งมั่งคั่งในฝ่ายวิญญาณจิตเมื่อฐานะของเราจากคนคนบาปเปลี่ยนไปในสายพระเนกของเป็นเจ้าเพราะสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำคนบาปอย่างเราจึงสามารถกลับกลายเป็นธรรมิกชนและเรียกพระเจ้าจากใจของเราได้ว่าเป็นอัปป บ, บาร์บิดาของของเราเพราะความเสียสละของพระคริสต์ แทนที่เราจะตกอยู่ภายใต้พระพิพโรธของพระเจ้าเรากลับได้รับพระพรจากพระองค์เพราะความเสียสละของพระคริสต์เราซึ่งมาจากเบื้องหลังชีวิตที่แตกต่างกันชาติตระกูลไม่เหมือนกันฐานะทางเศรษฐกิจไม่เหมือนเหมือนกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงสามารถรวมตัวกันกับกลายเป็นประชากรเดียวกันของพระเจ้าได้เหมือนกับเพลงนั้นที่เรามักจะร้องในช่วงเทศกาลพบที่บอกว่า บัญญัติพระเจ้าสั่งสอนให้เราจงรักกันและบัญญัตินั้นคือความรักสามคัคคีเชื่อพระเยซูจึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกันความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหายพูดโดยย่อก็คือว่าทุกสิ่งที่ครั้งหนึ่งไม่สามารถเป็นไปได้เพราะความบาปมาเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นนั้นได้กลับกลายเป็นจริงเพราะสิ่งที่พร ะ, พระคิดได้ทรงเสียสละเพื่อเรา พิทาจาร์คนหนึ่งของขุสักรในยุคยุคต้นสรุปเอาไว้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับประเด็นที่ตรงนี้ว่าพระบุตรของเปรชาพวกเราอ่าพอ น, พ ร, น, พ, รนา พ, รพร้อมกันนะครับพรกเราอ่านพร้อมกันพร้อมกันไมครับว่าพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสาพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของเปรชามารับภาวะเป็นมนุษย์ เพื่อพวกเราที่เป็นบุตรของมนุษย์จะสามารถกับกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยความเชื่อในเวพระองค์ได้ทั้งหมดเหล่านี้พระคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อเห็นแก่เราทุกๆคนทั้งตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองที่ถ้าเราไปเยี่ยมในปัจจุบันนี้เป็นเมืองที่สวยสดงดงามเต็มไปด้วยไม้ดอกตลอดทั้งทั้งปีเมืองนี้ชื่อว่าเมืองมาเซ ประวัติของเมืองนี้บอกว่าก่อนหน้านั้นเมืองนี้ไม่ใช่สวยสดงดงามเหมือนกับในปัจจุบันนี้เป็นเมืองที่แห้งแล้งเป็นอย่างมากความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อมีการขุดคลองสายใหญ่เชื่อมต่อเมืองเข้ากับแม่น้ำใหญ่สายสายหนึ่งคลองสายนั้นยาวมากกว่า135กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาขุดมากกว่า12ปีด้วยกันแล้วพอคลองสายนี้ขุดเสร็จน้าจานวนมากไหลเข้ามาในเมือง แล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าด้านต่างๆของเมืองนั้นต่างไปจ า, จากเดิมเป็นอย่างมากคลองสายนี้เริ่มต้นขึ้นได้อย่า ง, างไรประวัติของเมืองมาราเซเล่าว่าก่อมปีกเศรษฐศักราหนึ่งพันดร้อที่เมืองนี้มีชายคนหนึ่งชื่อว่ากูซองกูซองไม่ได้แปลว่าซองของฉันนะครับกูซองเป็นชื่อของเขามองเอร์กูซองมองเซีย e กูซองอาศัยอยู่ในเมืองที่แห้งแล้งนี้ กูซองเป็นชายหนุ่มที่ขยันขันแข็งเป็นอย่างมากแต่เขาเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในฐานะของคนที่งกเงินเป็นอย่างยิ่งหาได้เท่าไหร่ไม่ก็จะใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองของตอนนักมัธยัตย์อย่างไม่น่าเชื่อนะครับกูอะกูซองจะสวมใส่เสื้อผ้าวนไปวนมาอยู่เพียงแค่ไม่กี่เยชุดเท่านั้นแล้วเขาจะไม่ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่จนกว่าจะมีบางชุดของเก่านั้นขาดจนไม่สามารถสวมใส่ได้อีก แต่และ ว, วันก็กินอาหารราคาถูกร า, าเป็นเป็นอาหารที่ไม่ค่อยจะมีคุณภาพมากนักแล้วก็ตลอดชีวิตของเขาเขาอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้แต่งแต่งงานคงจะเป็นเพราะว่าถ้าแต่งงานแล้วจะมีคนมาช่วยใช้เงินที่เขากำลังหาอยู่นั้นนะครับความมัธยัตของกูซองทำให้ตลอดชีวิตของเขาที่เมือง น, นั้นไม่ค่อยจะมีใครครบเขาใกล้เจิชิด ทั้งๆ ท, ที่ในความเป็นจริงแล้วกูซองเป็นคนดีไม่เอารัดเอาเปรียบใครซื่อสัตย์แล้วเวลาที่รับจ้างไปทํางานอะไรก็แต่ทํางานอย่างสุดความสามารถของเขาจนกว่างานนั้นจะเสร็จสิ้นไปเพราะกูโอซองมีอายุมากขึ้นเขาไม่สามารถเดินเหินคล่องเหมือนกับปกติได้พอเข้ามาอยู่ในเมืองเมื่อไหร่ก็จะมีเด็กๆเนี่ยวิ่งวิ่ง ว, วนรอบๆตัวเขาแล้วก็ร้องเพลงหัวอหัวเลาะคนแก่คนค น, นี้ จนกระทั่งเมื่อกูซองเมียอายุได้ประมาณ80ปีเพื่อนบ้าน ส, สังเกตว่าไม่มีใครเห็นกูซองมา 2-3 วันแล้วแล้วในท้ายที่สุดเพื่อนบ้านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายสูงอายุนี้พวกเขาก็เลยนัด ก, กันกลุ่มเล็กๆ ก, ล, กลุ่มหนึ่งในเมืองนั้นไปเยี่ยมกูซองที่บ้านแล้วเมื่อไปถึงที่บ้านก็พบว่ากูซองได้จากโลกนี้ไปก่อนหน้านั้ น, น, นแล้ว คนที่เป็นตัวแทนจากเมืองที่ไปเยี่ยมเขาที่บ้านก็พูดคุยกันกันว่าแม้ว่าชายคนนี้จะเป็นคนงกเงินเป็นอย่างยิ่งแต่ดูเขาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยในตลอดหลายสิปีที่เขาเขาอยู่กับกับเราอาจ บ, บางทีเขาจะมีญาติอยู่ในเมืองอื่นที่อยากจะรู้ถึงความเป็นไปของเขาเราจะมีญาติ บ, บางคนอยากจะมาจาัด ก, การเกี่ยวกับเรื่องงานศพให้เราค้นดูว่ากกูสองได้ทิ้งที่อยู่ของใครเอาไว้ในเเบ้านบ้างเพื่อเราจะสามารถติดต่อกับญาติของพวกเขาได้ คนกลุ่มนั้นก็เลยคุยบ้านของกูซองนะครับแต่ว่าไม่สามารถหาที่อยู่ของคนหนึ่งคนใดภายในบ้านของกูซองได้สิ่งที่พวกเขาค้นพบสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากเขาพบหลังไม้ใบหนึ่งแล้วก็ภายในหลังนั้นมีเงินอยู่ประมาณสี่ล้านบาทด้วยกันที่ด้านบนของหลังไม้มีกระดาษแผ่นหนึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นพิินันยกรรมที่กูซองเขียนไว้ เนื้อความตอนหนึ่งของพิ่นายกรรมกล่าวอย่างอย่างนี้ว่าฉันขอมอบเงินนี้ให้แก่ชาวเมืองมาซ์เพื่อขุดคลองส่งน้ําจากแม่น้ําเข้ามาในเมืองเพราะเมืองของเราขาดแคลนน้ําอย่างมากปรากฏว่าใช้ยหนุ่มคนนี้ที่ทํางานอย่างหนักแล้วก็เก็บเงินเขาเก็บเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงจุดหนึ่งคนนี้เปลี่ยนฐานะของขกับกลายเป็นคนมั่งคั่งแล้วนะครับ เขาสามารถออกจากเมืองนั้นไปอยู่ในเมืองอื่นซื้อบ้านของตนเองอยู่แล้วก็ใช้เงินของเขาทำธุรกิจบางอย่างเพื่อจะเพิ่มพูนเงินให้กับตนตนเองแล้วก็มีชีวิตในช่วงหลังอย่างมีความสุขได้แต่กูซองกับปักหลักอยู่ในเมืองมาแส่นั้นจนถึงวันที่เขาจากโลกนี้ไปสาเหตุก็เพราะว่าเขาอยากจะเสียสละชีวิตของเขาและสิ่งต่างๆที่เขาทําเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าของคนในเมือง ที่มีความแห้งแรงเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่าไม่ไกลเกินจริงนะครับที่จะบอกว่าแม้กูซองมั่งคัง่งกูซองก็ยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะสามารถกลับกลายเป็นคนมั่งคัง่งอันสืบเรื่องมาจากความยากจนของกูซองนั้นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของของเราทำยิ่งกว่ากูซองเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงสละจากที่ที่สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่แล้วก็มาบังเกิดเป็นทารกน้อยที่หมู่บ้านเบลเลแฮมสิ้นพระชนเพื่อถ่ายถอนความบาปของเราสามสิบกว่าปีหลังจากนั้นทั้งหมดเหล่านี้พระเยซูทรงกระทำเพื่อจะให้เราทล า, ายสามารถรอบพ้นจากโทษตันของความบาปและกลับมาเป็นประชากรของพระเจ้าได้ นี่เป็นสัจธรรมสอย่างด้วยกันที่ปาโลชี้ให้เราเห็นในสองโครินบทที่8ข้อที่เกแล้วคุณจะทำยังไงดีกับสิ่งที่อาจารย์ปาโลกล่าวในในพระธรรมตอนตอนนี้เมื่อปารลยกตัวอย่างของพระคริสต์มาเป็นต้นแบบให้เราใบาวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเพียงแค่สามสาอย่างเท่านั้นนะครับผมคิดว่าสิ่งสิ่งแรกที่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราทบทวนสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา ที่ปาโลสื่อให้เราเห็นในบทที่8ข้อ9นี้ก็คือเราน่าจะมีจิต ใ, ใจที่โมทนาขอบรพระคุณพระเจ้าในการที่ปรงประทานพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราฝ้าหลังมีคำคำพูดประโยคหนึ่งว่า family a l i t y b r e a c contents มีความหมายว่าอะไรที่เราคุ้นเคยมากๆสิ่งนั้นเริ่มไม่ไม่มีค่าสำหรับเรา สิ่งนั้นเริ่มไม่ค่อยมีความหมายสำหรับเราเรานี่รวมไปถึงบรรดาสิ่งต่างๆที่เราคุ้นเคยในชีวิตก็เซนของเราด้วยคริสต์มาสสามารถกับกลายเป็นอย่างนั้นได้เราคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสเป็นอย่างมากแล้วก็พร้อมๆกับความคุ้นเคยนั้นเราเริ่มสูญเสียสิ่งที่เป็นหัวใจสิ่งที่เป็นแก่นสิ่งที่เป็นสาระสาคัญของวันคริสต์สมพนั้น ช่วงเดือนธันธันวาคมเป็นช่วงที่ห้างสปปรรพสินค้าลดราคาใช่ไหมครับทุกห้างลดแล้วก็แม้ว่าจะมีการจํากัดวันว่าจะหมดเขตเมื่อไร่พอหมดเขตแรกเขตที่สองก็เริ่มเริ่ ม, มก็เริ่มลดอีกนะครับแล้วก็ลดไปจนถึงตอนปลายปีแล้วพวกพวกเราก็มีความสุขกับการช็อปช้อปปิงนะ้งจักรบอนนัสเดียวได้รับตอนปลายปีนั้น เขาว่ากันว่าเวลาพูดถึงเรื่องชอป้อปปิง้งชายกับหญิงนี่จะซื้อสิ่งของต่างต่างกันถ้าเป็นชายชายจะยอมเสียเงิน2ี่สิบบาทเพื่อซื้อสิ่งที่มีค่าสิบบาทเพราะสิ่งนั้นมีความจำจาเป็นสาหรับเขาส่วนผู้หญิงจะยอมเสียเงินสิบาทซื้อสิ่งที่เขาคิดว่ามีราคายีสิบบาทแม้จะไม่มีความจำเป็นต้องซื้อซื้อด้วยเหตุผลเดียวก็คือว่าลดราคาอยู่ ไม่แน่ใจว่านี่เป็นจริงสำหรับพวกเราในห้องประชุมนี้ไหมมีกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยกันที่เราทำในช่วงท้ายของเดือนธันวาคมนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราควรจะหวนกลับกลับมาและลํำลึกขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าหั ว, หวใจของวันคริสต์มาสแกนแทกของวันคริสต์มาสนั้นไม่ได้อยู่ที่ชายแก่คนนั้นที่ใส่เสื้อสีแดง แล้วก็ปรากฏตัวให้เห็นชัเฉพาะในเดือนธันวาคมเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ต้นคริสต์มาสเลี้ยวใช้ในการประดับที่บ้านหรือที่คริสตจักรไม่ได้อยู่ที่ของขวัญไมไ่อยู่ที่ดาวประดับไม่ได้อยู่ที่กิจกรรมต่างๆอีกมากมายหลายตัวหลายอย่างด้ว ย, ยกันแม้เราจะไม่มีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แต่เมื่อเราหัวลําลึกถึงหัวใจแก่นแท้ของวันคริสต์มาสก็คือการมาบังเกิดของพระคริสต์เพื่อจะทําให้เราสามารถกลับกลายเป็นคนมั่งคั่ง ในฝ่ายวิญญาณจิตในครอบครัวของพระเจ้าได้การหวนระลึกถึงสัจธรรมนั้นสามารถทำให้คริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่ง ส, สำหรับเราแต่ถ้าเราทำกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแล้วก็สารวนวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็บางคนเครียดมากนะครับจนเรียกช่วงคริสต์มาสว่าเป็นช่วงคิดคิดมากนะเพราะว่าต้องหาเงินมาซื้อของของขวัญให้กับคนโน้นคนคนนี้ แล้วถ้าให้กับคนนั้นคนนี้ต้องอย่าลืมบางคนถ้าตกชื่อบางคนไปอาจจะกลับกลายเป็นปัญหาได้เราสาระวนจบสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จนกระทั่งเราลืมไปว่าแก่นแท้ที่แท้จริงของวันคริสต์มาสเป็นอย่างไรเราก็จะไปแกะอยู่ที่กระพี้ของต้นเท่านั้นแล้วเข้าไปไม่ถึงแก่นแท้ของวันนั้นบ่ายวันนี้อีกครั้งครั้งหนึ่งเราหวนล ำ, ลำลึกว่าสาระสําคัญของวันก็จะสมพบก็คือการมาบังเกิดของพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของของเราถ้าเราย้อนถ้าเราย้อนกลับไปที่บเบลเยียมในในในค่ำคืนนั้นเมื่อพระคิดทรงบังังเกิดแล้วเราไปที่รังญ้าแล้วก็เพ่งดูทารกน้อยที่อยู่ที่รังรังญ้าทารกที่อยู่ที่รังญ้าดูไม่ต่างไปจากทารกคนอื่นแต่ว่าทารกน้อยที่รังญ้านั้น เป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าที่พระพิดเดิมบรรยายว่าแม้แต่ ส, ส, สวรรค์ที่สูงสุดทั้งหมดเหล่านั้นไม่เพียงพอให้กับพระองค์ที่จะประทับอยู่มาบังเกิดเป็นทารกน้อยที่หมู่บ้านเบลเลหม์มพระหัสน้อยๆของเด็กทารกที่อยู่ในหมู่บ้านเบลเลหม์มเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงในมิตรสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง พระโอษน้อยๆของเด็กทารกคนนั้นที่นอนอยู่ในรังญ้าเป็นพระโอษของพระเจ้าผู้ตัดอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตามพระดํำรัสของพระองค์พระเนตรและพระการของทารกน้อยนั้นเป็นพระเนตรและพระการของพระเจ้าผู้ทรงทิพเนตรทิปการผู้ทรงรู้แจ้งในสรรพสิ่งทางปวงนั้นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นทารกน้อยที่หมู่บ้านเบตเลเฮม เวลาคุยกับเขาไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทําทําได้ก็ถูกต้องแล้วนะครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทําได้และนี่คือสิ่งที่พร ะ, พระเจ้าได้ทรงกระทําในวันที่จะสมผัครั้งแรกนั้นมีชายอยู่คนคนหนึ่งนะครับเขาเาขวดไปให้กับเพื่อนของเขาดูแล้วในขวดนั้นมีของของเหลวบางอย่างอยู่แต่เพื่อนของเขาก็ดูขวดขวดนั้น แล้วเขาถามบอกว่าข้างในขวดนี้ใส่อะไรไว้อะไรอยู่ข้างในขวดมองจากสิ่งที่เป็นมือของเขาขวดเป็นสีแดงนะครับดังนั้นเพื่อนจึงทายว่าของในขวดนั้นคือวิสกี้เขาบอกว่าไม่เหล้าองุ่นผิดดาวว่าเป็นบรันดีก็ไม่ใช่ถ้า ง, งั้นเป็นน้าแดงมึงก็ไม่ถูกในท้ายสุดไม่ว่าเพื่อนจะบอกอะไรก็แต่เขาบอกว่าเป็นคาตอบที่ผิด ในท้ายสุดเพื่อนก็ะถางบนไหนบอกหน่อยซิว่าของในขวดนี้เนี่ยเป็นอะไรแล้วเขาบอกข้างในเป็นนมเพื่อนบอกว่าโกนมที่ไหนจะเป็นสีแดงแบบแบบนั้นแต่เจ้าของขวดยืนยันว่าเป็นนมจริงๆแล้วเขาก็นําชามใบหนึ่งมาเปิดฝาขวดออกแล้วก็เทออกมาปรากฏว่าข้างในเป็นนมจริงๆสีแดงนั้นเป็นสีของขวดที่เป็นเปลือกเปลือกนอก ไม่ได้เป็นของเนื้อหนที่เป็นนมอยู่ที่น้านในนั้นวันนั้นถ้าเรากลับไปที่เบลเลแฮมมองดูเด็กทารกคนนั้นในลางญ้าดูเหมือนกับเด็กทารกทั่วๆไปเป็นอย่างมากแต่แท้ที่จริงเป็นพระเจ้าผู้มาบางังบังเกิดเพื่อพระองค์จะสามารถไถ่ถอนความบาปของของเราด้วยการสิ้นพระชนที่กังเขนหลังจากนั้นสามสิบกว่าปีสิ่งนี้ควรจะทําให้เรามีจิตใจที่โมทนาขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วนี่เป็นสิ่งที่ เราไม่น่าจะคิดถึงเฉเพาะในวันที่ยี่้าเดือนธันวาคมเท่านั้นนี่เป็นความหวั ง, วงเป็นความหวังใจเป็นหัวใจเป็นแกนกลางของการเป็นครัรเียงของหลัสิ่งที่สองที่ผมอยากจะแบ่งปันกับเราก็คือเมื่อเรามีใจโมทนาขอบคุณพระเจ้าในความเสสสของพระคิดแล้วสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นตามมาก็คือการแบ่งปันปันปจจัยต่างๆให้กับคนที่ขาดแคลนคนที่ขัดสนยิ่งกว่าเรา นี่เป็นสาเหตุดั้งเดิมที่นี่เป็นสาเหตุดั้งดั้งเดิมนะครับที่อาจารย์เปาโลยกตัวอย่างของพระคริสต์ในพระธรรมตอนตอนนี้เพื่อจะเร้าจิตใจของพี่น้องในเมืองโคอเรีนเพื่อว่าพวกเขาจะเรียนเลียจะเรียนแบบของพระคริสต์ด้วยการรวบรวมเงินส่งไปช่วยทำมิกชนที่กำลังประสบกับภาวะที่ยากลำ ล, ำลำบากเป็นอย่างมากพระคริสต์ทรงเป็นสุดยอดของตัวอย่างของความเสียสละ แล้วสิ่งนี้น่าจะเป็นต้นแบบสําหรับเราด้วยเช่นเดียวกันเพจะสมภพปีนี้จําสิ่งที่เปาโลสอนเราในพระธรรมตอนตอนนี้มองไปรอบๆตัวเรานะครับดูว่ามีใครที่ขัดสนยิ่งกว่าเราไม่ว่าจะเป็นความขัดสนในด้านใดก็แล้วแต่แล้วมองย้อนกลับมาดูตัวเรากับพระพรที่พระเจ้าได้ไวยพรแก่เราแล้วลองคิดดูนิดหนึ่งว่ามีอะไรเพื่อสามารถแบ่งปันกับคนเหล่านี้ได้ อาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นพี่น้องคริสเตียนที่ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขามาอย่างเช่นประเทศปากีสถานเป็นเป็นต้นแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกําลังรอช่วงที่ถูกส่งไปยังประเภทที่สแล้วหลายคนประสบกับภาวะที่ลําบากเป็นอย่างมากอาจจะเป็นพี่น้องคริสเตียนคนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนบ้านของของเราอาจจะเป็นยามที่หมู่บ้านที่เราอยู่นะครับที่ปอดูแลรักษาความปลอ ด, ลอดภัยทั้งกลางวันและกลางกลางคืน เพื่อเราจะสามารถนอนหลับอย่างเป็นเป็นสุขได้คนเหล่านี้ที่ภาวะทางเศรษฐกิจของเขายากจนกว่าเราบางอย่างที่เราสามารถเป็นพรในการแบ่งปันพระพรของพระเจ้าให้กับคนเหล่านี้ได้เขาว่ากันว่าคนไทยมีลักษณะโดดเด่นอยู่หลายอย่างด้วยกันหนึ่งในบรราลักษณะโดดเด่นของคนไทยก็คือคนไทยชอบของฟรีจริงไหมครับห้องนี้ไม่มีคนคนไทยเลยเนาะ จริงไหมครับคนไทยชอบของฟรีจริงไหมครับ <S <S อตอนนี้มีคนไทยหลายคนด้านหน้านี้คนไทยชอบของฟรีเพื่อจะยืนยันสิ่งสิ่งนี้มีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าวันหนึ่งที่ร้านตัดตัดผมร้านร้านหนึ่งในแอลเมีคนผิวขาวคนหนึ่งเข้าไปตัดตัดผมแล้วพอตัดผมเสร็จเข้าลุกขึ้นจะจ่ายจาย จ, ะะจะจ่ายเงิน แล้เจ้าของร้านบอกเขาไม่สามารถรับเงินได้เพราะช่วงนี้เขากำลังทํางานบริการสั ง, สงคมอยูเ่เขาจะตัดผมให้ฟรีคนผิวขาวคนนั้นก็มองหน้าแล้วก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วเขาก็ออกจากร้านไปรุ่งขึ้นก่อนที่ร้านตัดผมร้านนั้นจะจะเปิดมีโดนัทหนึ่งกล่องสิบสองชิ้นมาวางไว้ที่บันไดแต่คนผิวขาวคนนั้นส่งมาเพื่อจะขอบคุณในวันที่สองนั้นก็มีคนผิวดําคนหนึ่งเข้าไปตัดผม พอตัดผมเสร็จเ้าก็ลุกขึ้นจะจ่ายเงินเจ้าของร้านก็บอกอย่างเดิมมากเขาไม่สามารถรับเงินงินได้คมผิวตามก็ขอบคุณเจ้าของร้านแล้วก็ออกจากร้านนั่งไปรุ่งขึ้นในวันที่สาก่อนที่ร้านจะเปิดมีดอกไม้สิบสองดอกด้วยกันทั้งช่อสวยสดงดงามมากมาตั้งไว้ที่หน้าร้านเป็นการขอบขอบคุณในวันที่สมมีคนไทยคนหนึ่งเข้าไปตัดผม พอตัดผมเสร็จเขาก็ลุกก็ลุกขึ้นเจ้าของร้านก็บอกเขาว่าเขาไม่สามารถรับรําเงินได้เขาเายย้มใหญ่เลยนะแล้วก็ใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าแล้วเขาก็ออกจากร้านไปรุ่งขึ้นก่อนที่ร้านตัดผมจะเปิดมีคนไทยสิบสองคนมารอตัดผมฟรีอยู่ที่หน้าร้านนะครับนี่ฟังดูเหมือนคนคนไทยไหมเหมือนมากเนาะ <laughs> พระเจ้าช่วยช่วยเรานะครับเราเป็นฝ่ายที่รับพระพรต่างๆมากมายในในด้า น, านในด้านต่างๆขอให้ต้นแบบของพระคริสต์ในพระธรรมตอนนี้สอนเราเพื่อเราจะเรียนเป็นฝ่ายที่ให้ให้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าอวยพรแก่เรากับกลายเป็นพรให้กับคนอนื่นๆสิ่งสุดท้ายที่จะแบ่งปันกับกับเราก็คือมีคนอีกมากมายในสังคมไทยที่ยังไม่รู้ถึงสิ่งที่พร ะ, พร ะ, ะ, พระเยซูได้ทรงกระทำแล้วก็คนเหล่านี้กําลังรอคอย พวกเราที่จะนําข่าวประเสริฐนี้ไปแบ่งปันให้กับเขาช่วงเดือนธันวาคมเพราะเรื่องของวันคริสต์มาสนะครับภาวะทางจิตใจและการเปิดรับของคนไทยดูจะมีมากกว่าปกติแล้วเราสามารถใช้ช่วงโอกาสแบบนี้นําเสนอข่าวประเสริฐให้กับเพื่อนของขอ ง, ของเราอาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านเราอาจจะเป็นเพื่อนนักศึกษาที่วิทยาลัย อ, อาจจะเป็นเพื่อนในออฟฟิศที่ทำทำงานด้วยกันนะครับนำใบปลิวจํานวนหนึ่งติดตัวไป นำหนังสือเล่มเล็กที่อธิบายเนื้อหาสาระของข่าวประเสริฐติดตัวออกไปอธิษฐานขอพระเจ้านําเราแล้วก็แบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับคนเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ตัวแล้วถ้าเขามีความอยากที่จะรู้เพิ่มเติมขึ้นเราสามารถนั่งคุยกับกับเขาแบ่งปันให้ เ, าเขารู้ว่าภาวะของเขาเป็นอย่างไรและเขาจะสามารถรอดพ้นจากการเป็นทาสของความบาปได้อย่างอย่างไรทั้งหมดตอนนั้นเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทําเพื่อเรา เพื่อว่าพวกเขาจะได้มาชิมดูความประเสริฐของพระเจ้าด้วยคริสต์มาสนี้ขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเรานะครับเปาโลบอกเราในพระธรรมตอนนี้ว่าก่อนพระเยซูยจะมาบังเกิดเป็นทาสลกที่เบดเลยเฮมพระองค์ทรงมั่งคัง่งแม้กระ น, นั้นพระองค์ก็ทรงยอมเป็นคนยากจนมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่านทั้งทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะสามารถกลับกลายเป็นคนมั่งคัง่ง จากความยากจนของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาบ่ายวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ด้วยพระทัยอันเมตเมตตาของพระองค์ด้วยพระคุณอันลึกล้ำสุดที่จะอย่างรู้ได้ด้วยความรักที่กว้างใหญ่ ยิ่งกว่ามาหาสามุรของพระองค์เจ้าพระองค์ได้ประทานพระคิดพระบุตรของพระองค์มาในโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายจะสามารถรอดพ้นจากโทษทันของความผิดบาปขอสมบัติอันดุยพอในี่ยคือสมพบในปีนี้เป็นคือจะสมพบที่มีความหมายซาบซึ้งใจในจิตวิ ญ, ญญาณของเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราหวนลำลึกถึงสิ่งประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าก็คือจากพระชนชีพของพระบุตรของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานให้เรา เพื่ราทั้งายจะสามารถกลับกลายเป็นประชากรของพระองค์ขอสมบัติอํานวยพรและทํากิจของพระค์ในตัวของเราทั้งหลายแต่ละคนจนกระทั่งความจริงของพระองค์เจ้าศัจธรรมของการบังเกิดของพระคิดนี้จะก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติในเราขอเวยพร้กับผู้ฟังเวียนพร้อมกับผู้กล่าวเพื่อถ้อยคําของพระจะก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติในเราทั้งหลายทุกคนข้าพบาร์จึงอธิฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า เาเมนขอบพระเจ้าทรงอวยพรกัน